ตอนนี้ขึ้นียาบทบกขึ้นหน้าที่เจ็ดียาปถบบกนี่นะดูก่อนพิสูุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิสูุเมื่อเดินย่อมรู้ชัดว่าเราเดินเนี่ยเมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งเมื่อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอนหรือเธอตั้งกายไว้ด้วยประการอย่างใดอย่างใดก็รู้ชัดอาการอย่างนั้นอย่างนั้นด้วยเหตุดังพรณนาเมาชนีภิสูุย่อมพิจารณาเห็น ก, นกายในกายภายในบ้าง เห็นกายในกายภายนอกบ้างเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างเห็นธรรมด้วความเกิดข er ึ้นในกายบ้างเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบ้างเห็นธรรมทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างอยู่อันหนึ่งสติของเธอตั้งมั่นอยู่ว่ากายนี้อยู่ก็เพียงเพื่อความรู้เพียงเพื่ออาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตัญหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลก ดูการภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอันนี้เป็นภาคของต่อไปก็ไปดูภาคของอัตฉริยที่อธิบายเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยนะก็ในหน้าที่ยี่สิบเอ็ดเปิดไปหน้าที่ยี่สิบเจ็ดตรงนั้นแหละที่ในการศึกษาหรือการศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่กล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยนะ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งนั่นแหละในยะบทบอบเนี่ยภิกษุเมื่อเดินย่ํารู้ชัดว่าเราเดินอยู่เมื่อยือนย่ํารู้ชัดว่าเรายือนอยู่เมื่อนั่งย่อมรู้ชัดว่าเรานั่งอยู่เมื่อนอนย่อมรู้ชัดว่าเรานอนอยู่เนี่ยไอสี่ประการเนี่ยท่านยกเอียบททั้งสี่นะัคือยือนเดินนั่งแล้วก็อ น, นอนเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานอันนี้เป็นปริมาเนายะก็ะคือเป็นเนยะแรกเน้นนยะที่หนึ่งก็หรือว่า กายของเธอตั้งไว้โดยอาการอย่างใดยอย่างใดเนี่ยย่อมรู้ชัดซึ่งกายนั้นกายนั้นในที่นั้นเป็นทุติยานิย่เป็นนิย่าที่สองตรงนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทรงสอนให้ท่านตัตติยาบทสี่เนี่ยขึ้นเป็นในที่หนึ่งขึ้นเป็นประธานในแรกเนี่นะแล้วก็ตรัสในเรื่องของให้พิจารณากายซึ่งอยู่ในียาบทนั้น เ, นเป็นนยิย่า เป็นระยะที่สองด้วยประการอย่างนี้พิสูพิจารณาเห็นเนื่งเนืองซึ่งกายในรู ป, ปรกายภายในสันดานของตนก็คือด้วยอียบทวิหารบ้างตรงนี้ก็หมายความว่ า, วาพิจารณาเห็นเนื่งเนืองซึ่งกายในรู ป, ปรกายภายนอกด้วยอียบทวิหารบ้างหมายความว่าเวลาพระองค์สอนในพิจารณาเนี่ยถามว่าเวลาพิจารณาอาียบทยืนเดินนั่งนอนในพิจารณาอาียบวทุกตัวเองได้ไหมก็ต้องบอกว่าได้ แล้วพิจัยาบทของบุคคลอื่นใช่ไหมในขณะที่เห็นคนอื่นกําลังยืนเดินนั่งนอนเนี่ยพิจารณาได้ไหมเอาได้เขาเรียกยาบทภายนอกถ้าพิจารณายาบทตนเองในด้วยสติด้วยสัมปชัญญะในการดูการยาบทยืนเดินนั่งนอนของตนเองว่าเป็นว่าเป็นการเป็นไปของรู ป, ปกายเป็นต้นอะไรนี่รู ป, ปกายที่กําลังนั่งรู ป, ปกายที่กําลังยืนรู ป, ปกายที่กําลังเดินรูปกายที่กําลังนอนอย่างเงี้ย พิจารณาตนเองอย่างนี้เขาเรียกว่าพิจารณากายภายในถ้าพิจารณากายภายนอกก็หมายความว่าเป็นพิจารณารูปกายของบุคคลอื่นที่กําลังยืนกําลังเดิ น, ดนกําลังนั่งและกําลังนอนเนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่าพิจารณารูปกายภายนอกเห็นไหมภายในคือของตอนเองภายนอกก็คือของผู้อื่นดูเหมือนไม่ยากนะคือดูตนเองแล้วดูบุคคลอื่นเนี่ย แต่ที่มีนัยยะที่เป็นเรื่องยากก็คือว่าท่านให้ละความเป็นคนเป็นสัตว์ละความเป็นหญิงเป็นชายออกไปนี่เลยให้เห็นว่าเป็นเพียงรู ป, ปกายเป็นต้นเหล่าเนี้ยแล้วก็พิจารณาเห็นเนืองซึ่งกายในรู ป, ปกายทั้งภายในภายนอกบ้างย่อมอยู่บ้างเนี่ย มีการพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองซึ illing, mm ่งธรรมคือความเกิดขึ้นในรูปกายบ้างพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองซึ่งธรรมคือความเสื่อมในรูปกายบ้างตรงเนี้ยแสดงเห็นชัดบอกว่าธรรมาพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองซึ่งธรรมคือความเกิดขึ้นในรูปกายแล้วก็พิจารณาเห็นหนึ่งเนืองซึ่งธรรมคือความเสื่อมแสดงให้เห็นชัดว่ตรงเนี้ยถ้าในพิจารณาถึงเหตุเกิดพิจารณาถึงการเกิดขึ้นนะะ แล้วก็พิจารณาถึงความเสื่อมคือความดับไปเป็นต้นเหล่านี้ที่จริงเกี่ยวกับในเรื่องของรูปขันเป็นต้นเหล่าเนี้ยนะรูปขันที่เป็นรูปกายที่เป็นไปในยาวดยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับไปของมันอยู่เนี่ยเพราะว่าจริงๆสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาเพราะอาศัยเหตุปัจจัยใช่ไหมเมื่อเหตุปัจจัยเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นถ้าเราดูอย่างเหตุใกล้นี่นะเดี๋ยวต่อไปท่านจะไปขยายแล้ว อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าในปัจจุบันเนี่ยทําไมเราจึงสามารถลุกยืนเดินนั่งนอนกันไนดะ้ใช่ไหมเอาดูในปัจจุบันนี่นะหนึ่งพอมีจิตคิดจะเดินพราะมีธาตุลงพัดผันไปในร่างกายพอมียาก็ เ, าเลยเป็นสัจจัยแก่เอียบทในการยืนเดินนั่นอนใชแต่จริงๆแล้วเหตุเกิดไม่ใช่แค่นี้นะถามว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่มีอาหารในการที่จะหล่อเลี้ยงรู ป, ปกายเนี่ยรู ป, ปกายอยู่ไม่ได้หรอก เอาศัยอาหารที่เราทานเราดื่มเร า, เรากินเราเที่ยวเราลิ้มเนี่ยอาหารต่างๆเหล่านี้เข้าสู่ในร่างกายก็ทําให้รูปขันหรือรูปกายนี่เป็นไปได้อันนี้เขาเรียกว่าเหตุในปัจจุบันอย่างนี้ทีนี้ก็ไปดูปัตย์ตามลําดับนะแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านก็ค่อยๆ อ, อ, อธิบายขยายความให้เกิดความเข้าใจทีนี้บอกว่าพิจารณาถึงความเกิดขึ้นและความเสื่อมในรูปกายบ้างเป็นต้นเหล่านี้สติของเธอตั้งมั่นอยู่ว่ากายนี้อยู่ก็เพื่อยานะ ก็คือเพื่อปัญญากายเนี่ยมีอยู่หมายความว่ารูปกายที่ยืนรูปกายที่เดินรูปกายที่นั่งรูปกายที่นอนเนี่ยมีอยู่เพื่ออะไรมือมีอยู่เพื่อเป็นปัจจัยแก่ทําให้ยานะคือปัญญาให้เกิดขึ้นให้ปัญญาให้เพรียวขึ้นนะโดยพุทธประสงค์เนี่ยคืออย่างนั้นไม่ใช่ว่ารูปกายยืนเดินนั่งนอนมีอยู่เพื่อให้มัวเมาไม่ใช่นะโดยวัตถุประสงค์โดยพุทธประสงค์นั้นไม่ใช่ เพื่อยาณนะเพียงเพื่อสติที่ตั้งมั่นเท่านะั้นเท่านั้นโดยสรุปตรงนี้ก็คือเพื่อเจริญสติสัมปชัญญะรูปกายที่ยืนใช่ไหมรูปกายที่เป็นไปในยาบทยืนรูปกายที่เป็นไปในยาบทเดินรูปกายที่เป็นไปในยาบทนั่งรูปกายที่เป็นไปในยาบทนอนเนี่ยมีอยู่เพื่ออะไรเพื่อเป็นปัจใจัยแก่การเจริญสติและปัญญาที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ไม่ใช่ว่ามี รูปกายที่ยืนเดินนั่งนอนเพื่อเป็นปัจจัยแก่กิเลสหรือเป็นปัจจัยแก่การมัวเมาเป็นปัจจัยแก่การเกิดตัณหามาหน้าทิฐิไม่ใช่อย่างนั้นเธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฐิไม่อาศัยย่อมอยู่และย่อมไม่ถึงมั่นซึ่งอะไรอะไรสักหน่อยหนึ่งในโลกนี้ก็แปลว่าดูกราภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นพิจาุราหนึ่งหนึ่ซึ่งกายมีรูปกายย่อมอยู่ด้วยยาบุอาหารนี่เป็นทุติยานัย ก็ตั้งแต่การลึกถึงกายเป็นต้นอันนี้เป็นเป็นพุทธพจน์นะต่อไปดูอัตถกถาอัตถกถาก็เริ่มต้นตั้งแต่ว่าที่บอกว่าหน้าที่ยีิบเอ็ดเป็นต้นไปเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้านี่แหละคั้นจำแนกซึ่งกายานุปัสสนาโดยเกี่ยวกับอสสาสสะปัสสะอย่างนี้แล้วเนี่ยก็หมายความว่าก่อนที่เราจะมาศึกษาในเรื่องของียาบทบาเนี่ยเราได้ศึกษาอาาปณะบัมาแล้ว คือการได้ศึกษาการพิจารณาลมหายใจเข้าและลมหายใจออกมาเรียบร้อยแล้วเข้าจใจใั่ไหมตรงนี้นะเป็นการพิจารณาดูลมมาเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเมื่อพิจารณาในบัพทานั้นเบียดเสร็จนี้ต่อม า, าพระพุทธเจ้าก็สแสดงเกี่ยวในเรื่องของอียาบทต่อไปอย่างต่อจากอนาปานาบอกตรงนี้เพื่อจะทรงจําแนกโัยเกี่ยวกับียาบทได้แก่กายกะปโยคะก็คื อ, ค อ, อียาบทนั่นแหละจึงตรัส ซึ่งคำมีอาทิวาภุณะจะปรังเป็นต้นนีนะคาวินิจฉัยในบททั้งหลายเหล่านั้นมีดังนี้ปริมาณโยวาอริยปทับประทานโนวุตโตกายังประทานังเป็นต้นเหล่าเนี้ยนะในแรกเนี่ยในแรกนี่นะที่เริ่มจากการที่บอกว่าพิกสุเดินก็รู้ชัดเป็นต้นเหล่าเนี้ยตรัตียาบทเป็นประธานเดินก็รู้ว่าเดินเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินยืนก็รู้ชัดว่าเรายืน เมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งเมื่อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอนเนี่ยอันนี้ตัดอะไรตัดพระ อ, องค์ทรงมีพระประสงค์โดยการตรัสเอียบทขึ้นเป็นประธานตัดเอียบทยืนเอียบทเดินเอียบทนั่งอียบทนอ น, นอนเนี่ยขึ้นเป็นประธานในแรกตัดอย่างนั้นส่วนในที่สองตัสเพื่อจะแสดงกระทําซึ่งกายเป็นประธานและอียบทไม่ใช่เป็นประธานให้สําเร็จในยะแรกลองดูนะ ก็คือในยะที่สองก็ตัดในเรื่องของว่ากายมีอยู่อะเพียงเพื่อญาณเพียงเพื่อสติเป็นต้นดังที่กล่าวนะเป็นในยะที่สองในในยะแรกตัดยาวดืนเดินนั่งนอนเป็นต้นลองดูในยะแรกนะท่านเลือกพูดถึงในเรื่องของสุนัขบ้านและสุนัขกิงจอกตอนเช้ายังเรียนเรื่องสุนัขบ้านและสุนัขกินจอกกันอยู่โยมสุนัขบ้านกับสุนัขกิงจอกต่างกันตรงนี้ สุนัขบ้านกับสุนัขจิ้งจอกอีต่างกันสุนัขบ้านเนี่ยตัอุปมาเลยนะตาหอยจมูกลิ้นกายสุนัขบ้านที่อุปมาเปนอะไเนี่ยเออลิ้นเนี่ยแล้วกายเหมือนสุนัขจิ้งจอกใช่ไหมลิ้นเนี่ยชิวหาประสาทเนี่ยท่านอุปมาเหมือนกับสุนัขบ้านส่วนกายประสาทเนี่ยนะกายประสาทที่ความรู้สึกในการที่เย็นร้อนทางกายเนี่ยอันนี้เหมือนกับสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกอยู่ในป่าใช่ไหมเนี่ยทำไมถึงอุปมานั้นลิ้นทําไมเหมือนสุนัขบ้าน สุนัขบ้านท่านก็ให้คําอธิบายไว้บอกว่ามันก็มันชอบอยู่ตามบ้านเนี่ยมันไปอยู่ที่อื่นไม่ก็สบายใจหรอกลิ้นของลิ้นของนสัตว์โลกทั้งหลายตรงนั้นกันก็จะชอบอาหารที่อร่อยอร่อยในด้านของกายและประสาทของเราถามว่าถ้าเราไม่มีอะไรสัมผัสเลยเนี่ยเราก็ชอบเอาแขนทุงตะเองมาสัมผัสเอามือนหนหนัวตัวเองเลยหรือมาอย่างนั้นก็คือ ได้นวดได้แรงกาของตนเองได้หรือไม่อย่างนั้นก็คือชอบให้สิ่งที่มีชีวิตมาเลี้ังดตัวเองชอบจะเอาสิ่งที่มีชีวิตมาถูกต้องกายของตนเองอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่บางคนไม่มีสิ่งอื่นมาสุกแล้ฝาดจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไวนี่เป็นอย่างนั้นออนะอาจารย์ยกตัวอย่างแปลกๆดีวิ่งกันสุนัขบ้านสุนัขจริงฉะนั้นในในยะแรกนี่นะในแรกเนี่ยทั้งสุนัขบ้านและสุนัขจริงจอดเป็นต้นเมื่อเดินย่อมรู้ว่าเรากําลังเดินก็จริง แต่การรู้นั้นพระองค์ไม่ได้ตาัหมายซึ่งการรู้ที่มีสภาพอย่างนี้ใช่หคือเป็นเพียงการรู้ว่าเดินเป็นต้นเท่านั้นเพราะว่าการรู้ที่มีสภาพอย่างนี้ย่อมไม่ละศัตรูปรัตถิคำว่าศัตรูปรัติเนี่ยคือสัตตัก า, าหะอันเป็นความเห็นว่าสัตว์มีอยู่โดยสภาวะที่ยึดถือว่าอะหังคัจฉามิเราเดินอ๋อหรือ ว, ว่ากาลังเดินมาเนี่ยความรู้สึกเนี่ย เรื่อความเข้าใจของเราที่เป็นไปกันทั้งหมดเนี่ยเราคิดว่าเราเดินไหมนั่นการเดินทุกครั้งมีคําสำทับลงไปว่าเราเดินเราเป็นผู้เดินเรากําลังเดินอยู่หรือเปล่าความรู้สึกเป็นไปอยู่อย่างนี้หรือเปล่าเช่นจะเดินไปกินน้ําจะเดินไปเข้าห้องน้ําจะเดินไปทํากิจอะไรต่างๆเหล่านี้ยความรู้สึกของเรามีความสําคัญว่าเราเดินอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าคิดอย่างนั้นใช่ไหม คิดว่าเราเดินอย่างนี้ท่านบอกว่าอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการเจริญสติปัฏฐานเพราะอย่างนี้ท่านบอกว่าสุนัขบ้านสุนัขกิ้งจอกมันก็คิดแบบเนี้ยเวลาสุนัขบ้านสุนัขกิ้งจอกมันเดินเนี่ยมันวิ่งเนี่ยมันก็สําคัญว่ามันกําลังเดินมันกําลังวิ่งหรือถ้ามันยืนนะ่ไหมหรือมันยืนเนี่ยมามาคำนวณการเดินของเราเนี่ยสุนัขบ้านสุนัขกิ้งจอกหรือคนทั้งหลายก็ไม่ต่างกันหรอกเขาก็สําคัญว่าเราเดินการเดินน่ยของเรา ความคิดว่าเราเดินเรายืนเรานั่งเรานอนเนี่ยคําว่าเราที่ไปกํากับอยู่ในการยืนการเดินการนั่งการนอนแล้วมีคําว่าเราไปกํากับอยู่เนี่ยย่อมไม่ถอนออกซึ่งอัตตาสัญญามันถอนคําว่าเราถอนความเป็นความเป็นหญิงเป็นชายออกไม่ได้ไงอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าปฏิบัติจะั้นมันก็ไม่ต่างกันอะไรใช่ไหมใช่แล้วอยู่บ้านแล้วก็มีความสําคัญว่าเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนอยู่เนี่ยมันก็มีคําว่าเราไปหมดแหละ ที่โดยพรเจ้าประสงค์เนี่ยในแรกเนี่ยการลักษณะอย่างเนี้ยนักเข้านักเข้านี่นะไอ้ความสําคัญว่าเป็นอัตตาสัญญาคือวีปริตาสัญญาที่เป็นไปอย่างนี้ว่าอัติอัตตาการโกเวทโกเป็นต้นอัตตาผู้กระทํากรรมผู้สวยกรรมมีอยู่ก็เลยเป็นสำคัญผิดเลยว่าเย็นยกตัวอย่างเช่นเราเป็นคนทํากรรมเราก็ต้องรับเราตัวเราเนั่นแหละเป็นผู้สวยกรรมเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นไอ้ความเห็นอย่างนี้มันเลยมันเลยยึด เป็นพืชไปหมดเลยยกตัวอย่างเช่นชาติที่แล้วเราทํากรรมอันนี้พูดถึงนัยยะกรรว่าเรามีอยู่เนชาติที่แล้วเราทํากรรมแต่ปัจจุบันนี้เราก็เป็นผู้รับกรรมนี้คาพูดอย่างนี้ถ้าเข้าใจถูกไม่เป็นไรแต่ถ้าเข้าใจผิดเนี่ยมันเป็นอัตตาไงเข้าไปยึดถือหมดเลยยกตัวอย่างเช่นเมื่อชาติที่แล้วนะสมมุติว่าชาติที่แล้วเนี่ยสมมุติว่าเราเราไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เราเป็นเทวดา ใช่เราไปเป็นเทวดาแล้วเราทํากรรมที่จะให้เกิดมาเป็นมนุษย์พอตายจากมนุษย์ปุ๊บเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเจอตายจากเทวดาปุ๊บมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความสําคัญว่าไอ้ที่เทวดาก็คือเราอะปัจจุบันนี้มาเป็นมนุษย์ก็คือเราระหว่างเทวดากับเราก็คือนั่นแหละคนคนเดียวกันนี้ไปสําคัญอย่างนี้ไปยึดถือในลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าเห็นผิดถ้ามาถือในปัจจุบันนี้ยิ่งหนักใหญ่ใช่ไหม ยกตัวอย่างเช่นเมื่อ ว, วานเนี่ยไม่ต้องเมื่อวานแล้วเมื่อเช้าเนี่ยที่กําลังกินอาหารอยู่เนี่ยตัวเราเป็นผู้กินเราเป็นผู้เดินอยู่เราเป็นผู้นั่งเราเป็นผู้นอนอยู่และปัจจุบันเนี่เราก็มาฟังธรรมตรงเนี้ยไอความสําคัญก็มีเราติดมาอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนที่เป็นไปเนี่ยนะมันก็เลยถอนอะไรถอนอัตตาสัญญาไม่ได้สอนถอนความเห็นผิดไม่ได้ ซึ่งใช่ซึ่งมันพูดยากนะตรงนี้เออไม่ไม่ใช่พูดยากนะมันเข้าใจยากที่จะสอนให้คนละอัตราตัวตนตรงนี้ออกเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยต้องการให้ละตรงนี้นยังไงด้วยเหตุผลก็คือกลุ่มเรา ท, ทั้งทั้งหลายที่ศึกษาพระธรรมากันมันละตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมพอละไม่ได้มันก็เลยเนี่ยฝังโกรธกันมาจนไม่รู้เท่าไหร่เลยทั้งทั้งที่คนคนนั้นถ้าแตกดับไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วแล้วความเป็นเราก็ไม่มีอยู่ในที่นั้นอ่ะยกตัวอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่น ที่เคยกล่าวไว้เนี่ยลองมาแยกดูดิคำว่าเราเนี่ยอยู่ตรงไหนลองมาไล่ดยยูตามอาการสามดูสองดูผมมีไหมเราเนี่ยผมมีไหมถอนออกมากดูดิมันมีเราอยู่ในนั้นไหมเอาขนทุกเส้นในร่างกาย่มีไหมเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไล่ไปดูดิมาา้าไตหัวใจตับทางผืนไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่า มันสมองไล่ไปไม่มีไงไล่ไปตามทุกทกส่วนมันก็หาคําว่าเราไม่มีเอาความคิดใช่ไหมที่ว่าเราอะเอาความคิดที่เป็นสุขเป็นทุกข์มันไม่ใช่เอาความจําเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เอาไหมพงแต่งบุญแล้วบาปกม็มันมีเอารู้ทางตาหูจมูกเล่นกายใจหาคําว่าเราในนั้นมันไม่มีไงเพราะว่าไล่ไปอย่างนี้นะซึ่งมันก็ยากใช่ไหมความเข้าใจแบบนี้มันยากไหมใช่ไหมยากแต่จริงๆมันไม่มีเราจริงจริงนะ ลองไปไล่เบีย้ยดูจริงๆมันไม่มีคือว่าเมื่ออย่างนั้นมันโดยการสมมุติใช่ั้มสมมุติว่าเมื่อรวมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอย่างเนี้ยรวมตึกรวมเสาวรวมปูนรวมอิฐรวมหินรวมดินรวมทรายอะไรต่างไปเสร็จก็เรียกว่าเป็นตึกเรียกว่าเป็นบ้านแต่ลงแยกออกมาแต่ละชิ้นละชิ้นละชิ้นเนี่ยหาคําว่าบ้านไม่มีหรอกแต่ทีนี้พอสมมติว่าบ้านเยเราเลยเธอเธอต้คัญว่ามันเป็นบ้านจริงๆ เหมือนคำว่ารถเนี่ยก็รวมชิ้นส่วนต่างๆเข้ามาใช่ไหมรวมล้อรวมเบรกรวมเพลารวมอะไรต่างๆสารพัดเนี่ยรวมเบส็จทุกชิ้นส่วนเนี่ยก็เรียกว่ารถแต่พอแยกออกมาแต่ละชิ้นเนี่ยเป็นน็อตเป็นอะไรต่างๆเนี่ยหาคำว่ารถไม่ได้ฉันใดนะคาว่าเราที่ไปสมมติมันก็ไม่มีอยู่จริงไงทีนี้เรามันไปติดจะแล้วเพราะคําว่าเราไปติดจะแล้วมันก็ต้องใช้บัญญัติในการสื่อกันนะมันสื่อไม่ได้มันนองจ้องหน้ากันอยู่ไงใดไงยัไงไม่ยัง มันก็ต้องมาอธิบายตรงเนี้ยเพื่อเกิดความเข้าใจไงถามว่าเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วมันได้อะไรมันได้อะไรมันได้รู้ความเป็นจริงไงว่าเรายึดถือในสิ่งที่มันไม่มีสาระเสียแล้วก็สิ่งที่มันไม่งามเราไปสําคัญว่างามเพราะคำว่ามีเรานี่แหละไอสิ่งที่มันไม่เที่ยงเราสําคัญว่ามันเที่ยงเพราะไปยึดผิดนี่แหละสิ่งที่มันเป็นทุกอยู่แท้ๆเราก็ไปสําคัญว่าเป็นสุขเพราะเราไปยึดผิดนี่แหละ สิ่งที่มันบังคับมันไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนอะไรเลยใช่้หมเราก็ไปยึดว่าเป็นอัตตาเป็นเราเป็นของของเราก็เพราะเราไม่แยกส่วนฉะนั้นท่านจึงสอนให้แยกแยกให้ใครควรให้พิจารณาะนะไอโบราณสมัยก่อนๆที่เขาเริ่มตั้งบัญญัติกันขึ้นเนี่ยเริ่มตั้งสมมุติบัญญัติกันขึ้นเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยยึดถืออะไรกันเท่าไหาร่เพราะเรู้แต่พออาการจะทําในลักษณะนี้มันยาวนานมาใช่ไหมเริ่มตั้งโลกใหม่ๆเนเรื่องบัญญัติก็ไม่ค่อยเยมีอะไรมากมายหรือ ตั้งแต่โลกใบนี้อยู่บัติเกิดขึ้นมามีมนุษย์มาจาก โ, าโลกเป็นต้นเหล่าเนี้ยนะเบสเซ็เนี่ยเริ่มบัญญัติกันใหม่ใบัญญัติมันก็มีเยอะแต่เพระาะปัจจุบันนี้เป็นบัญญัติซ้อนบัญญัติกันไม่รู้จนมันไม่รู้เรื่องกันแล้วพอพระพ่อคำสอนพระพุทธเจ้ามาตรัสยี่สิบเบสเซ็ตปุ๊บนี่นะมองกันคนละเรื่องแต่ละดี่ขยายยาวทีนี้ท่านบอกว่าความรู้อย่างนี้นะความรู้เป็นเช่นนี้ย่อมไม่เป็นกรรมฐานหมายความว่า ความรู้ว่าเราเดินอยู่การเดินของเราก็ไม่ถอนอัตตาสัญญาใช่ไหมเราเป็นผู้เสเวยอ่ะอัตตาผู้กระทํากรรมผู้เสเวยวิบากมีอยู่เนี่ความรู้เช่นเนี้ยเป็นกรรมฐานไหมไม่เป็นกรรมฐานเป็นสติปัฏฐานภาวนาไหมบอกไม่เป็นสติปัฏฐานภาวนาแต่การรู้อันเป็นขมนาทิขตาวิเศสชานะของภิกษุย่อมล้ะซึ่งอะไรสัตตูป ร, รัตดที่ได้เขาบอกว่าถ้าภิกษุหรือผู้ปฏิบัติดีนะ ต้องละศัตูปรติคือความเห็นว่าเป็นสัตว์ย่อมถอนออกซึ่งอัตตาสัญญาความเห็นว่าเป็นอัตตาเป็นตัวตนเนี่ยฉะนั้นบอกว่าเมื่อเห็นอย่างนี้เมื่อเห็นโดยความว่าเป็นรูปเป็นนามเป็นต้นเราเนี่ยนะเห็นแต่เพียงเป็นรูปกายเท่านั้นที่กําลังดําเนินไปอยู่เป็นต้นนะรูปกายกําลังยืนรูปกายกําลังเดินรูปกายกําลังนั่งรูปกายกําลังนอนเนี่ย ถ้าเห็นอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเป็นการเห็นเป็นการเห็นชอบเขาเรียกสัมมาทัศนะสัมมาทัศนะแปลว่าเป็นการเห็นชอบถ้าเห็นในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นกรรมฐานแล้วก็เป็นสติปัฏฐานภาวนาฉะนั้นความจริงการรู้นี้พระองค์ตรัสหมายเอาสัมปชัญญะอย่างนี้ว่าโกคัจติใครเดินเนี่ยที่ครั้งที่แล้วได้พูดเนี่นะถามว่าโกคัจติใครเดินเนี่ยใครเดินอยู่เนี่ยเป็นการถามถึงสัตว์ผู้กระทํากิริยาคือการเดินนะใช่ไหม ถ้าถามว่าใครเดินอยู่ใครเดินอยู่เป็นการถามถึงอะไรถามถึงสัตว์ผู้ทากิริยาคือการเดินถ้าเห็นนหมายถึงเห็นภายนอกนี่นะความเข้าใจของเราตอนนี้เราเห็นยังไงใช่ในการการเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการเห็นหมายถึงสัตว์ผู้กระทากิริยาการเดินสัตว์ธรรมนางการเดินของใครแล้วก็ไปเข้าใจว่าเออเป็นการเดินของสัตว์การเดินของบุคคล ไม่เข้าใจเดินนี้ซึ่งมันไม่เป็นกรรมฐานอะไรเลยนะเนี่ยแล้วก็กินกรนาขาจะตีเดินอยู่เพราะเหตุอะไรเนี่ยแม้การย็ยนเป็นต้นกันได้นะมทีเนี้บทว่าโกขจะติใครเดินเนี่ยถ้าจะตอบไม่ถูกต้องบอกไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคลคลถามว่ามีคําว่าสัตว์เดินมีคําว่าบุคคลเดินมีคําว่าหญิงเดินมีคําว่าชายเดินนิดหนึ่งมีหรือไม่นี้มีสักนิดไหม นั้นนิดนิดหนึ่งหน่อยหนึ่งก็ไม่มีนะในนั้นไม่มีคําว่าสัตว์หรือบุคคลหรือหญิงชายที่กําลังเดินอยู่นะไม่มีเลยไอ้ที่จะเข้าใจอย่างนี้มันยากใช่ไหมใช่แต่ให้ทําความเข้าใจตามท่านกันไปก่อนว่าจริงๆมันไม่มีจะไปแยกแยะดูแล้วเนะี่ยใช่ไหมใช่ทีนี้ถามว่าเพราะอะไรเพราะความที่เป็นเพียงรูปธรรมทเท่านั้นที่สําเร็จกิริยาคือการเดินดีการท่านว่าอย่างนั้นนะ เพเป็นเพียงรูปธรรมเท่านั้นที่สำเร็จกิริยาคือการเดินอยู่นั่นเนี่ยลองดูที่ที่กําลังเดินไปอยู่อ่ะใช่ไหมที่กําลังเดินไปอยู่นะมันสําเร็จจากกิริยาของรูปธรรมเท่านั้นรูปธรรมเท่านั้นนะที่กําลังก้าวปุ๊บปุ๊๊บไปอยู่นั้นเนี่ยถ้าพูดกันจริงๆก็คือโครงร่างทั้งโครงร่างอ่ะมันมีแต่อะไรผมขนเล็ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนมีโครงร่างกระดูกที่อยู่ภายในใช่ไหมใช่ข้างในก็ประกอบไปด้วย ไส้หยอดใหญ่ไส้น้อยหารใหม่หารเก่าก็ว่าไปเลยสเสล น, น้องเลือดเหนืออะไรก็ว่าไปนี้นะ้นใช่ไหมข้างนอกก็มีไอ่มีเส้นเอ็นลึกัดโครงล่างกระดูกไว้ถ้าไม่มีเอ็นลัดกระดูกไว้กระดูกก็หลุดหมดใช่ไหมรู ป, ปกายเนี่ยถ้าไม่มีเอ็นเส้นเอ็นลัดไว้กระดูกหลุดหมดแหละแล้วพอมีเส้นเอ็นลัดไว้เบืเสร็จก็มีเนื้อฉาบติดอยู่เก้าร้อยชิ้นใช่ไหมไอ้พอนอกนอกจากเนื้อก็จะมีหนังหนังหุ้มอยู่ แล้วก็จะต่อนาก็มีขนใช่ไหมเล็กๆ เ, เ, เ, เต็มไปอยู่แล้วก็มีเสื้อผ้าปกปิดอยู่เนี่ไเพื่อป้องกันความละอายเป็นต้นเหล่าเนี้นี่ที่เราเห็นโครงร่างนั่นแหละรูปกายนั่นแหละกาลังเดินชับๆอยู่เนี่ยเราไปสําคัญสําคัญไม่ว่านั่นสัตว์เดินนั่นห่ือคนเดินที่จริงที่นี้ไม่มีอย่างท่านว่าจริงๆใช่ไหมเป็นแต่เพียงกิริยาอาการเดินของรูปกายรูปธรรมเท่านั้นแหละที่กําลังเดินไปอยู่นั่นเนี่ยเท้า แล้วเข้าใจแบบนี้ต้องใส่ใจต้องเข้าใจต้องใค่อยคุนต้องคิดบ่อยๆเพราะเราไม่เคยคิดแบบนี้มานานมากในสังสารวัฏใช่ไหมใช่เอาว่าในชาตินี้ที่เกิดมาที่เราไม่เคยได้คิดแบบนี้เลยว่าอันนี้มันรูปธรรมนะเดินอี่มันรูปกายในกําลังเดินอยู่ไม่ใช่สัตว์เดินไม่ใช่คนเดินไม่ใช่หญิงเดินชายเดินนะแต่เจะเพียงว่าเป็นเพียงรูปธรรมเท่านั้นที่สําเร็จกิริยาการคือการเดินเนี่ยมันะเป็นรูปธรรมที่มีกิริยาการในการเดินเดินไม่เรียกว่าเดิน เป็นเพียงรูปธรรมเท่า น, ทนั้นที่สําเร็จกิริยาในการนั่งเป็นเพียงรูปธรรมเท่า น, ทนั้นที่สำเร็จกิริยาในการยืนในการนอนถ้าเข้าใจแบบนี้เบ็เสร็จเแล้วยังเข้าใจตรงคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าอย่างนี้จบแล้วความเข้าใจแบบนี้มันจบระดับหนึ่งแล้วนะ แ, แต่ว่าโอ้เข้าใจถูกแล้วนี่เริ่มจะเข้าเราจะเริ่มจะเข้าหาสัมมาทัศนะนะเริ่มจะเห็นถูกแล้วไอ้ที่ผ่านมาไม่ได้เห็นแบบนี้นะพราอไม่ได้เห็นอย่างนี้เขาไม่เรียกสัมมาทัศนะเขาเรียกมิจฉาทัศนะมิจฉาทัศนะก็ไปเอาเห็นผิดทีนี้ อีกบทหนึ่งก็คือว่ากัดศักยกำลังการเดินของใครการเดินของใครตรงนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ไม่มีการเดินของสัตว์ไม่มีการเดินของบุคคลไม่มีการเดินของหญิงไม่มีการเดินของชายมีสักหน่อยหนึ่งไหมมีการเดินของหญิงของชายมีการเดินของสัตว์ของบุคคลสักนิดหนึ่งนี้ไหมในนั้น ที่เป็นอาการเดินไปแต่ละท่านอาการเดินก็แบบนี้ใช่ไหมบทต่อมาคือกิณกรณนาคัจจติเดินอยู่เพราะเหตุอะไรตรงเนี้ยในประโยคที่3เนี่ยเดินอยู่เพราะเหตุอะไรเดินอยู่เพราะการแผ่ขยายไปของวายโยธาที่เกิดจากการกระทําของจิตทีนี้วายโยธาจะมีสองส่วนวาโยธาที่เกิดจากจิตกับวายโยธาที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ใช่จิตเอายังเนี่ยเสียงฮึงๆอยู่เนี่ยมีลมไหมเป็นวายโยธาไหมเนี่ยถ้วเกิดจากจิตหรือเปล่าให้เกิดจากวุตุ ใช่ไหมฉะนั้นอันนั้นไม่ใช่เป็นปัจจัยนะไม่ใช่เป็นปัจจัยในการเดินนะไม่ใช่เป็นปัจจัยโดยตรงแต่เป็นปัจจัยโดยอ้อมได้เข้าใจปะสมมติถ้าใครไปเปิดแอร์ให้แรงๆหน่อยลมแรงๆหน่อยแล้วก็เย็นมากๆหน่อยอยู่ก็ไม่ได้หนีหมดอันนั้นเป็นปัจจัยโดยอ้อมมันทาให้เราหนีเป็นปัจจัยใจจิตก็ไม่ไหวแล้วจิตก็คิดก็คิดเบียดเร็จก็จิตนี่ก็ทำปัจจัยภายในกับทําไบโอธาตุแล้วก็ ทำยามวดให้เดินหนีจากอากาศที่มันเย็นเกินไปแต่ถ้าหากมีแต่ลมแล้วไม่มีแอร์ร้อนหนึ่งเลยที่อยู่ไม่ได้ก็นหนีอีกเหมือนกันนั่นก็เรียกปัจจัยโดยอ้อมได้แต่ไม่ใช่ปจัจจัยโดยตรงไอ้ปจัจจัยโดยตรงมันเป็นจากการาจิตคิดจะเดินเกิดขึ้นใช่ไหมจิตคิดจะเดินเกิดขึ้นการแผ่ขย า, ายใจของวายโยธาที่เกิดจากทางการกระทำของจิต พ, พุทธิสุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่า จิตคือความคิดย่อมเกิดขึ้นว่าเราจะเดินเนี่ยจิตก็จะเป็นปัจจัยจิตที่เป็นไปที่เกี่ยวกับความเป็นผู้ให้จะเดินเนี่ยนั้นน่ะย่อมยังวายโยให้เกิด ว, วายโยนี่คือราตลมนะยังวายโยให้เกิดคําว่าย่อมยังวา ย, วายโยเนี่ยให้เกิดคือย่อมยังรูป ก, กราบรูป ก, กราบอันยิ่งด้วยวายโยาท่าให้เกิด ยังรูปกระลาบที่ยิ่งได้วาโยธาท่านให้เกิดไอ้คําว่ารูปกระลาบที่ยิ่งได้วาโยธาเนี่ยแปลว่าอะไรฮะแปลว่ารูปธรรมเนี่ยนะในการัชกายเนี่ยอันมีรูปกระลาบอยู่เยอะแยะไปหมดหลายโกดหลายล้านกระลาบที่อยู่ในร่างกายนี่นะถ้าพูดถึงเกี่ยวกันในเรื่องของเกี่ยวกันในเรื่องของเป็นอนูเป็นปรามานูในร่างกายมันเยอะแยะไปหมดแหละเป็นเล็กเล็กเลเลเนี่ยนะในร่างกายเนี่ยมันเยอะไปหมด แต่ว่าบรรดารูปกราบเหล่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันไม่มีตัววาโยธาธเนี่ยหนึ่งจคิดวายโยวายโยก็ให้เกิดคือย่อมยังรูปกราบอันยิ่งด้วยวาโยธาธให้เกิดวายโยก็ยังกายวิญญาตให้เกิดไอ้คำว่ากายวิญญาตคือการเคลือ่อนไหวกายเนี่ยความพยายามคือความเปลนไปของกายทั้งสิ้นโดยการ โน้มไปข้างหน้าเพราะการแผ่ขยายไปของวาโยธาที่เกิดจากการกระทําของจิตเรียกว่าการเดินคือมีการก้าวไปข้างหน้าเป็นไปในลักษณะอย่างนี้นั้นถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็คือว่าพอจิตที่เป็นไปเกี่ยวกับความเป็นผู้ค่้ที่จะไปบอกว่าจะไปแล้วใช่ไหมตอนนึกในใจนั่งอยู่อย่างเนี้ยบอกโอ้ไม่อยู่แล้วจะไปแล้วพอจิตคิดแค่นี้นะวาโยธาเนี่ย ท, ที่พอวายโยธาเนี่ยที่บอกย่อมยางวาโยธาได้ เ, เกิดก็คือ วายโยธาก็คื อ, อยังรูปก็คือรูปกราบก็เกิดขึ้นแล้วปริมาณรูปกราบก็เกิดขึ้น น, น, นั้นจิตเนี่ยมีอํานาจต้องใช้คําว่าอํานาจเลยนะมีมีอำนาจอยู่พอคิดจะไปขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปกติรูปก็ยืดนั่งอยู่เนี้ยไม่มีปฏิกิริยาอะไรแล้วพอลองคิดจะไปขึ้นมาดิจากที่รู ป, ปกายที่นั่งอยู่เนี่ยจะยืดขึ้นตรงทัน ท, ทีพอยืดขึ้นตรงเบ็เสร็จไม่ใช่แค่นั้นนะไอ้วายโยธาที่ยิ่งได้รูปกราบเนี่ยก็พัฒนแล้ว ก็ทําให้มีการก้าวไปดีแล้วออาการที่รูปกายที่ก้าวก้าวก้าวชับชับๆับไปเนี่ยนะเนะี่ยมีจิตทีค่คิดจะก้าวไปเนี่ยเป็นเป็นประการทั้งการก่อนประการแรกแล้วก็ทําให้รูป ก, กระลาพิยิ้งด้วยวายโยธาอ่วายโยธาก็ทําให้วิญญาตคือกายยวิญญาตคือการยขยับขยืน่นเคลื่อนไหวกายส่วนไหนที่เคลื่อนไหวได้มันก็เคลื่อนไหวไปโดยเฉพาะส่วนที่เรียกเรียกันว่าขาต้องมีการก้าวไปใช่ไหมไอ้ทอนบนก็มีการโน้มไปข้างหน้า ก็เรียกว่าสัตว์เดินก็เลยสำคัญว่าสัตว์เดินที่เราสําคัญว่าเดินว่าเป็นคนเดินสัตว์เดินจริงๆใช่ไหมครัแค่ที่จริงเป็นแต่เพียงว่าเป็นกิริยาการของรูปธรรมเท่านั้นที่กําลังเดินไปอยู่ที่กําลังเคลื่อนไปเข้ายากไหมยากนะทีนี้ความพยายามคือความเป็นทั้งในกายทั้งสิ้นฉะที่จริงเวลาเดินเนี่ยเวลาเดินเนี่ยกายทุกส่วนไปหมดกายทุกส่วนไปหมดไม่ว่าจะกายที่เกิดจากกรรมก็ไปด้วย กายที่เก like ิดจากจิตก <sh> no <sh> <im> <sh> ็ไปด้วยกายที่เกิดจากอุตุก็ไปด้วยกายที่เกิดจาอาหารก็ไปด้วยก็คือในสระจะกลายเนี่ยไม่ได้มีจิตเป็นปัจจัยอย่างเดียวนะมีกรรมเป็นปัจจัยมีอุตุเป็นปัจจัยมีอาหารเป็นปัจจัยครบทุ่นหมดนี้เนี้ยเช่นตาหูจมูกเล่นกายเป็นต้นเหล่าเนี้ยีเกิดจากกรรมเนี่ยนะเป็นต้นความเป็นหญิงความเป็นชายกายทุกส่วนก็มีการไปทางหน้าไปหมดเป็นเพราะจิตเนี่ยคิดเป็นต้นอันนี้นะทีนี้การ การการรู้ในเรื่องของียาบทเป็นต้นแม้ในการยืนเป็นต้นก็เพิ่งทราบวิธีใช้ต่อไปจริงดีเดียวจิตเกิดคิดบอกว่าเราจะยืนจิตนั้นก็ยังวายโยธาให้เกิดวายโยธาก็ยังมีญญาตให้เกิดภาวะที่กายทั้งสิ้นตั้งแต่ที่สุดข้างล่างเนี่ยยืดขึ้นและการเพราะการแผ่ขยายไปของวายโยธาที่เกิดจากธรรมการของการทำของจิตก็เรียกว่าการยืนต้องนั่งนี้นะนั่งอยู่เนี่ยถ้าจิตคิดบอกว่าเราจะยืนคิดเนี่ยนะ เราจะยืนแล้วพอคิดปุ๊บเนี่ยจิตนั้นเนี่ยทำวายโยธาแล้วทีนี้จิตที่คิดจะยืนเนี่ยมันมีสองส่วนนะหนึ่งคิดด้วยบาปกัคิดด้วยบุญอเดินก็เหมือนกันแหละจิตที่เป็นบุญก็เป็นปัจจัยการยืนได้จิตที่เป็นบาปก็เป็นปัจจัยการยืนได้ยกตัวอย่างเช่นว่าเราไปในที่ประชุมใช่ไหมเขาบอกให้นับหนึ่งสสามใครยืนขึ้นก่อนได้เงินล้านหนึ่งโอ้นี่มันยืนด้วยความโลภเลยนะแบบนี้ใช่ไหมใช่มันอย่างนี้ยืนด้วยความโลภเลยและไม่ใช่ความโลภอย่างเดียวนะ ไอคนที่ยืนที่หลังที่ไม่ได้เงินเนี่ยก็โกรธใจไมใช่ไหมั้นความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมันก็เป็นปัจจัยการลุกยืนในขณะนั้นนะเห็นไหมว่าจริงๆแล้วก็คือจิตที่เป็นบาปก็เป็นปจัจจัยแก่วาโยธาตวาโยธาตก็เป็นปัจจัยแก่วิญญาตก็คือการมีการขยับขยืขย่อนจากกายที่ย่อยอดอยู่เนี้ยจะทําให้ยืดขึ้นตรงนั่นดีโดยการแผ่ขยายไปของวาโยธาที่เกิดจากจิตมองเห็นใช่ไหมถ้ายืนได้จิตที่เป็นบุญก็ได้ยกตัวอย่างเช่นยืนเคารุกเขาพูดใเจ้า ยืนเขาลกพระธรรมพระสงค์เป็นต้นเลยยืนขึ้นนอบน้อมอย่างนี้เป็นต้นมีเป็นไตรในรักษนาดอย่างนี้นะฉะนั้นปัจจัยที่เป็นปัจจัยการการที่จะยืนเป็นต้เนเหล่านั้นน่ะก็ก็เป็นบุญก็ได้เป็นบาปก็ได้จิตย่อมเกิดขึ้นว่าถ้าจะนั่งนี่นะเราจะนั่งจิตนั้นก็ยังวายโยธาเทิดเกิดวายโยก็ยังวิญญัตรู้จักวิญยัตไหมการเคลื่อนไหวากายเขาเรียกกายยวินยัต อย่างพระที่กําลังพูดอย่างนี้ก็เรียกว่าจีวิญญาตไอ่วาจีวิญญาตก็เกิดจากจิตนะเพราะจิตคิดจะพูดก่อนนะเนี่ยจิตก็ยังวาโยธาให้เกิดใช่ไหมวาโยวาโยธาก็ยังรูปกระลาวเป็นต้นแล้วเนี่ยก็ทําให้พัดผันไปก็ว่าไอ้ปัทวีธาต์ปัทวีธาต์ที่เกิดจากจิตใช่ไหมปัทวีธาต์ที่เกิดจากจิตกับปัทวีธาต์ที่เกิดจากกรรมเนี่ย เขาเขากระทบกันก็กลายเป็นเสียงออกมาเนี่ยนะที่สายเสียงที่หลอดเสียงนี่นะก็กลายเป็นเสียงแล้วก็เปล่งออกมาแล้วเสียงนั้นไม่ใช่ไร้ทิศทางนะมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ในการที่จะ ก, กล่าวว่าธรรมของพระพุทธเจ้าออนี่เป็นต้นเห็นไหมแม้แต่การจับพูดเนี่ยก็มีจิตเป็นสมุฐานแต่ถ้าพะมนติการไม่ดีพูดด้วยความโลภเช่นพูดเพื่อเห็นแกล่ลาพูดเพื่อให้คนยกย่องสรรเสริญ พูดเพื่อความอยากเด่นอยากดังเนี่ยถ้าเจตนาอย่างนี้โอ้โหเป็นบาปตลอดตั้งแต่ต้นยันจบอย่างนี้ไม่คุ้มเสียเลยเนี่ยเห็นไหถ้าคําพูดเนี่ยท่านถึงสอนไงเวลาแสดงธรรมเนี่ยหนึ่งแสดงไปตามลําดับนะอย่าตัดรัดให้ขาดความนะสองก็คือว่าอย่าแสดงธรรมเพื่อเห็นลาภเจรักสกสาระเสียงสารเสริญอย็นเลยประการต่อมากคือว่าอย่าแสดงธรรมกระทบตดนแลยบุคคลอื่น การต่อมาเลยนะสแสดงธรรมก็คือยกเหตุผลให้ผู้ฟังนี้เกิดความเข้าใจแล้วก็ประกาศสุดท้ายคือหนึ่งตั้งจิตเมตตาปราถนาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังให้เฉริญเมตตาไปด้วยในการจะกล่าวว่าทำํำ <c> ท <oughs> ่านพระพุทธเจ้าก็บอกหลักการกล่าวมาทำเขาว่าถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเสียหายเลยถ้างั้นจะไปต่างอะไรกันนะโฆษณาทั้งหลายจะไปย่าหน้าขายของนะหน้าขายของก็ไม่ได้าไม่ได้คิดว่าเขาแสดงธรรมนะ ก็ต้องทํำยังไงก็จะขายให้ได้ใช่ไหมใช่ท่านเตั้งจิตด้วยโลภะด้วยโทสะด้วยโมหะเขาว่าเข้าไปแต่พระกล่าวว่าทำไม่ใช่อย่างนั้นหรือว่าบุคคลผู้บรรยายก็ทําทไม่ใช่อย่างนั้นถ้าตั้งจิตผิดผิดหมดแล้วเลยไม่เป็นการเจริญภาวนาบุญส่แล้วคนฟังก็เหมือนกันใช่ไหมใช่นั่งเนี่ยจิตที่คิดจะนั่งเนี่ยมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์นนในจิตที่คิดจะนั่งในที่นี้ยมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ในการนั่งในการที่จะฟังว่าธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้นี่ย แต่สายผ่านจากสายเสียงจากจากจากเจตนาจากการกระทําของพระของบุคคลผู้กล่าวว่าทำอยู่เนี่ยแต่เป้าหมายคือการเคารพผู้มีพระภาคทีนี้ถ้าหากว่าทั้งผู้กล่าวก็กล่าวไปตามพฤติรรมกํกาสน่นของพระเจ้าผู้ฟังก็มานาสิกานตั้งใจได้วยจิตที่เป็นบุญส่ในการฟังเป็นต้นเหล่านี้ใช่ไหมอย่างนี้โอ้ได้เจริญภาวนาบุญส่ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายผู้ผู้กล่าวาว่าทำก็เจริญภาวนาบุญส่วนี่เป็นกรรมฐานนะเป็นกุศลชั้นสูงนะผู้ฟังก็ได้ภาวนาบุศล่วนใช่ไหม เขาต้องอกว่จะไปปฏิบัติธรรมมาทํำยังไงนี่เนี่ยกำลังฟังว่ารมอยู่นี่แหละแต่เราไม่รู้ไงวันนี้คือการปฏิบัติธรรมลองมานศสิการตั้งจิตมานศสิการไขควรพิจารณาไปตามพระธรรมไม่ให้ถีนมิทะเป็นต้นคร้องงาไม่ให้ความหดขู่ท้อถอยเกิดไม่ความฟุ้งซ่านรําคาใจเกิดใช่ไหมไม่ให้ไม่ไม่ให้วิจิกิจฉาเกิดไม่ให้การมไปฉันท่าไม่ให้พยาบาทเป็นต้นเกิดอันนี้เขาเรียกว่าเนียเจริญเจริญภาวนากุศลแล้ว เขาเรียกภาวนากุศลที่เกิดขึ้นในการบงรังการทำเข้าใจป่ะนี่เป็นอย่างนี้เขานึบอกว่าโอ้ยบุญอย่างนี้เป็นบุญใหญ่บุญอย่างนี้เป็นบุญที่สูงกว่าทานในกุศลเป็นต้นนะอะไรเพราะมนาศิกาไม่ถูกแล้ว็เลยได้บุญ้ามนาศิกาไม่ถูกเลยนี่ฟังทำจะยากไหมถ้าจิตย่อมเกิดขึ้นว่าเราจะนั่งเนี่ยจิตก็ย่อมยังวายโยธาให้เกิดวายโยก็ยังวิญญาตถ้ามีวิญญา ต, ติรูปเนี่ยที่ทําให้ การยอร่อลงแห่งกายท่อนล่างเวลาเรายืนอยู่นี่นะการการการนั่งเนี่ยกายท่อนล่างเท่านั้นในยอ่อนีไม่ใช่ยอ่อท่อนบนนะกายท่อนล่างยอ่อลงแห่งกายท่อนล่างภาวะที่กายท่อนบนน่ยยืดขึ้นใช่ไหมกายท่อนบนก็จะยืดขึ้นเพราะการแผ่ขยายไปของวาโยธาตที่เกิดจากการกระทําของจิตถ้าไม่มีวาโยธาตแผ่ขยายไปนะที่นี่วาโยธาตอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีวาโยธาเนั้นทํารูปกระาบอะให้เป็นไป ฉะนั้นรูปกระดาษภายในนั่นเองมันมีรูปอยู่รูปภายในนั่นแหละที่ยิ่งได้วายโยธา PhD มีตัววายโยธาเนั่ยเป็นเ ป, เป็นมีกําลังธาตุลมมีกําลังว่างั้นเลยถ้าธาตุลมไม่มีกําลังนะยืดท่อนบนไม่ได้ย่อส่วนล่างไม่ได้ย่ อ, ยอากายท่อนล่างไม่ได้ใช่ไหมแสดงให้เห็นชัดว่าธาตุลมเนี่ยมีกําลังมากทีนี้ธาตุลมมีกําลังมากหรือกําลังน้อยมันอยู่ที่ความตั้งใจมากตั้งใจน้อยในการที่จะนั่งด้วยถ้าตั้งใจในน้อยเนี่ยการนั่งโดยอื่นอาจ ลองเาเกียิเคยเข้าเกียร์ดูคนนั่งแบบเสียแค่ไม่ได้ไหมเราไปประคับลูกประพับหลานนั่งเดี๋ยวนี้นะไม่นั่งเดี๋ยวแม่ตีนะนก็ไม่อยากนั่งหรอกผมไม่อยากจะเล่นถ้าจะทอนท่าปล่อยอิงในการนั่งใช่ไหมนัม่เจตนาในการนั่งน้อยไงแต่ถ้าเจตนาในการนั่งมากด้วยการนั่งท่อนบนยืดขึ้นท่อนล่างก็ย่อลงนี่เขาเรียกว่านั่งใช่ไหม เราก็เลยไปสมมติว่าเออเนี่ยพ่อนั่งอยู่แม่นั่งอยู่ลูกนั่งอยู่หลานนั่งอยู่เรานั่งอยู่ใช่ไหมใช่ทั้งรูปภายในทั้งรูปภายนอกสําคัญว่าเป็นเราหมดเลยแล้วก็เป็นของของเราอยู่เผลอๆเราก็ไปเลี้ยงสัตว์เดรัจฉานตั้งตัวไหมหมานั่งแนวนั่งสอนให้เขานั่งแล้วก็เป็นําคัญแท้จริงก็คือเป็นรูปธรรมทั้งนั้นที่กําลังนั่งเป็นรูปธรรมทั้งนั้นนะที่กําลังนั่งอยู่ เราไปสมมุติเขาเองนะว่าเป็นนี่สุนัขนะนี่แมวนะสมมติไหมเราไปสมมุติเขาที่สมมติไปจนติดหมดแล้วทุกวันนี่เป็นติดหมดแล้วมันแยกไม่บอกนะแล้วสังสารวัฏยังไม่ใช่บริสุทธิ์เองนะมันมีรัทีหนึ่งนะสังสารสุทธิเนี่ยเราบอกตายเกิดตายเกิดไปเถอะคุณไม่ต้องไปทําอะไรแล้วดีชั่วก็จะเกิดก็เกิดเองชั่วจะเกิดก็เกิดเองเยอะได้บุญได้บาปมันเกิดขึ้นเองสังสารวัฏเนี่ยเมื่อมันครบ สี่ล้าหมืนกับเป็นตัวเหล่านี้เดี๋ยวมันบริสุทธิ์เองพ้นทุกกันเองว่างั้นไม่ต้องขนขวายเทีนยนพยายามไม่คิดอย่างเนี้ยมีลทัทธิอย่างนี้นะบางคนอยากจะทําบุญก็ทําไปอยากจะทําบาปก็ทําไปอยากกินอยากจะดื่มอยากจะเที่ย ว, อ ย, ยวอยากจะทําอะไรทําไปเถอะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องบังเอิญโชควบบาสนาอะไรต่างมันเกิดขึ้นอยู่ที่ดวงดาวเป็นทองผ้าเป็นตัวกำหนดง่ายไปแล้วคิดอย่างเนี้โอ้ยดวงดาวเป็นทองผ้าเป็นติ้วกำหนดบางทีอยู่ดีๆเนี่ยตูมันรวยขึ้นมาถ้าอย่างนั้นแหละโฟกัสแบบนั้นนะ เนี่ยคิดแบบนี้นี่เขาเรียกว่าพวกสังสาและสุดที่มันบริสุทธิ์เองเมื่อไปถึงวันวันที่สุดเขาเรียกว่าวันวสิ้นโลกอะ่ะพอวันสิ้นโลกไปเสร็จแล้วมันก็บริสุทธิ์ขึ้นมาเองว่า ง, งั้นนะไม่ต้องไปข้นขวายอะไรหรอกมนุษย์จะดีจะชั่วอะไรต่างๆเหล่าเนี้มันมันบริสุทธิ์ขึ้นมาเองโยโย่ก็คิดอย่างนี้ดีไหมการคิดอย่างนี้ดีไหมยอย่างนี้เขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิอีกแบบหนึ่ง มิจฉาทิถีมันมีหลายอย่างนะบางกลุ่มก็เห็นว่าเป็นศาสนาธิฐิเห็นว่าเที่ยงใช่ไหมบางอย่างก็เห็นว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงเนี่ยบางอย่างยกตัวอย่างนะบางอย่างก็ถือว่าโอ้ยรูกปกายเนี่ยไม่เที่ยงหรอกเห็นชัดๆอย่างเที่ยงได้ไงเนี่ยแต่ก่อนเป็นเด็กมาเป็นหนุ่มสาวมาแก่เท่าเดี๋ยวก็ตายแต่สิ่งที่เที่ยงคือชีวะคืออาตาัตมาอาตมันไงคิดยิตไง งั้นไอจิตนี่ละเที่ยงพอตายพวกไอจิตนี่ก็ล่องรอยไม่ตายไปในตัวเนี้ยแต่หาที่เกิดเนี่ยละที่อย่างนี้ก็มีใช่ไม่ใช่เกาเรียกว่าเอกจารศัตาทิถีเห็นว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงเห็นว่าไออาตมันเนี่ยเที่ยงแต่ไอรูกปากายเป็นต้นนี่ยไม่เที่ยงอันนี้ก็เห็นผิดอีกอันนี้ก็เรียกเป็นพวกศักตระเนี้ยพอไปดูดูละครเยอะใช่ไม่ใช่ดูละคระอย่างเรามีคนตายพวกก็มีไอลูกกลมๆมีสีเหลืองๆลอยออกจากกายลองอ่อยตัวลอยเไปไะม ใช่ไหมใช่ลอยใจก็ไปเกิดเราก็ไปถูกปลุกฝังแบบเนี้ยก็เลยสําคัญว่ามันจะมีอย่างนั้นจริงๆมันจะมีอะไรลอยออกจากล่างเนี่ยแล้วก็ไปหาแหวงหาที่เกิดก็เลยสําคัญบอกว่าเนี่ยบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงเข้าใจยังเป็นนี้ไหมแล้้วแลวเรายังเข้าใจแบบนี้ไหมถ้าเข้าใจแบบนี้เขาเรียกว่าเอกัจัตสัตติธิเป็นพวกสัตตพิธิจะพวกหนึ่งเห็นว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงอันนี้เป็นมิจฉาพิฐิ เั็นผิดไหมผิดอถ้าเห็นแบบนี้ใช่ไหมก็เลยสําคัญว่าโอ้ยเนี่ยไอตัวที่มันเที่ยงมันอยู่ตัวเดียวแท่นั้นเนี่ยไอกลุ่มชีวะอัตาเนี่แหละปรมาธรมันเนี่ยตอนนี้ยมันลอยลอยไปในหาส่วยงาพบแต่วันหาที่เกิดกันนอกนั้นไม่เที่ยโดยความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้มันไม่เป็นอย่างนั้นเอานี้นะอย่เดียวที่บอกว่าครั้งที่แล้วนั่งอยู่อย่างเนี้เยเยอะลองคิดคิดเข้าไปหาเนะลำลโพง มันมีอะไรลอยออกจากโยอมแล้วไปไปชนลำโพงเนี่ยมันก็คิดไปได้ใช่ไหมแต่มันไม่เห็นลอยไปชนลำโพงตุมต่มๆไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นลอยมีดวงลอยออกไปก็ไม่มีใช่ไหมยังคิดกลับบ้านก็คิดเดี๋ยวนี้ก็ไม่เห็นนะ่ะถ้ามันมีจริงมันจะต้องลอยวุด้ดวุด ว, ดวดออกท น, น, อนั่งอะไย่างเงี้ยโอยลอยกันไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็โดยมากจิตที่อยู่ตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมยังก็ต้องลอยออกกันไปทั่วแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนทีนี้เวลาเขาแสดงอะไรก็ต้องให้เห็นภาพเว่าะั่าที่ว่าไปว่ามาไอของ ของของโกหกไปเป็นของจริงไงไอละครก็รู้อยู่ใช่ไหมเขาแต่งเรื่องโกหกขึ้นมาโดยส่วนมากเนี่ยก็เป็นสําสคัญว่าจริงพป็จริงขึ้นมาก็เลยไปบัญญัติและไปเข้าใจกันเองงั้นธรรมธรรมมันมีรูปร่างสถานที่ไหนหรือไม่มีเรามีการลเทศสาที่ไหนไม่มีสถานที่เราตักขังใดที่ไหนแล้วมันเกิดดับรัดนิ้วมือเน่ยความคิดเกิดดับเป็นกดโกรธครั้งมากกว่าแสนโกรธครั้งได้ทําไงใช่ไหมความคิดมันเร็วขนาดนั้นเนี่ย ฉ้นหนึ่งเจตนาเนี่ยสร้างกรรมไม่รู้เท่าไหร่นะฉะั้นเจตนาในการศึกษาในการฟังพระธรรมคำสอนของพระเจ้าในขณะที่ฟังเนี่ยเจตนานี้เป็นบุญอย่างโมโหสารใช่ไหมอย่างมโหราอย่างเงี้ยถ้าหากว่ากรรมตรงนี้ส่งผลนําปฏิสัมพันธ์ขึ้นมาโอ้โหได้ดีได้ดีกันเยอะแยะใช่ไหมใช่ธรรมนัติการถูกนี่นะฉะนั้นตรงนี้ท่านถึงบอกว่าในอในในแรกนะที่กล่าวมาตามลําดับเนี่ยในแรกตั้งแต่สุนัขบ้านสุนัขกินจอกไปต้นมาตามลําดับนี่นะ ที่บอกว่าเมื่อสักครู่ที่พูดบอกว่าโกคัจติใครเดินอยู่ไหมโกคัจติในใครเดินเนี่ยเป็นการถึงาถามถึงอะไรถามถึงสัตว์ถามถึงบุคคลผู้กระทํากิริยาคือการเดินกศาสรรกรรมนางการเดินของใครนี่ไม่มีโกคัจติเนี่ยถามว่าใครเดินอยู่ไม่ใช่สัตว์บุคคลสักหน่อยหนึ่งเดินอยู่ไหมแล้วอะไรเดินอยู่ เป็นเพียงรูปธรรมเท่าทนั้นที่สําเร็จกิริยาคือการเดินฉะนั้นการเดินเนี่ยไม่ใช่นํมามธรรมต้องยืนยันนะว่าเดินเนี่ยไม่ใช่จิตเป็นตัวเดินใช่ไหมใช่รูปธรรมอ่ะรูปธรรมก็คือที่ยิ่งด้วยรูปกราบเปปาออที่ยิ่งด้วยวาโยธาตในกราชกายนี่ก็รูปกราบไม่รู้กี่ล้านกี่โกดราบเนี่ยที่อยู่ในกรรชกายนี่ยแต่มีวาโยธาเนี่ยเป็นประการสําคัญไอ้วาโยธาตมีจิตเป็นสมุทฐาน วาโยธาก็ทําลูกกระลาใช่ไหมที่ยิ่งได้รูปกระลาเป็นไปและทีนี้จุดอีกต่างกันอีกจุดหนึ่งก็คือว่า1นวาโยธาสองวิญญาติรูปคือกายกับวิญญาณเนี่ยนะการเคลื่อนไหวกายเนี่ยสามียาบท3 า, บทามอย่างเนี่ยต้องแยกให้ออกในเนี่ยียาบทวาโยธาวิญญาณมันต่างกันยังไงเนี่ย เดี๋ยวต้องแยกตรงนี้ให้ได้ก่อนนะเนี่ยถ้าแยกตรงนี้ไม่ได้ยุ่งเันแน่นี่ยนี่จริงๆเราก็อยู่กับมันมาตลอดในเรื่องไม่ใช่สลับซับซ้อนอะไรเลยใช่ไม่ใช่อียาบทเนี่ยยาบวทยืนอยาบวเดินอยาบทนั่งอยาบวนอนใช่ไหมนี่ยาบวใหญ่สี่ถ้ายาบทย่อยกับเจ็ดตัวไปเดี๋ยวก็ไปเรียนข้างหน้าเดี๋ยวก็ไปเนี่ยวันๆก็วุ่นวายกันอยู่ในเรื่องอยาบทใหญ่สี่แล้วอยาบทย่อยคือศึกษาเข้าใจเสียต่อไปจะได้สะดวกอยาบทนี้นะอยาบทแล้วก็ วยโอธาบแล้วก็วิญญาตประเด็นก็อยู่ที่บอกว่าเองก็คือว่าจิตอะไรนะที่จะทําวิญญาตให้เกิดขึ้นได้ทําอิยบบทให้เกิดขึ้นได้และทําวิญญาตเป็นต้นให้เกิดขึ้นได้ไอ้ตรง น, นี้อาจจะทำความเข้าใจยากเราจะพยายามจะหาเรื่องที่มันง่ายๆจนมานั่งเล่าคุยกันอยอู่แบบนั้นเอางี้นะเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าเบอกองี้นะว่าเวลาคนนอนหลับเวลาคนนอนหลับเนี่ยตอนนั้นเขาเรียกว่าจิตลงผวงัวงมีคนง่ายๆ ง, ยยงี้นะ ถ้าพูดเรื่องน้อยหลับเนี่ยเราเข้าใจใช่ไหมเคยนอนไหมทุกคนแล้วก็ไอ้ที่นอนไม่หลับเนี่ยเป็นปัญหาใ ช, ไใช่ไม่ใช่ก็อยากจะหลับในขณะที่นอนหลับอยู่นั้นเน่ยเขาเรียกว่าตอนนั้นเน่ะจิตเขาเรียกกันลงผวังคําว่าลงผ ว, ว, วังเนี่ยแปลว่าตอนนั้นจิตเป็นผวัง น, นั่นเองไม่ใช่ลงจากเวังตอนนั้นไม่มีผวังมันไม่ใช่อย่างนั้นนะปกติเนี่ยจิตมันใช่ไหมขึ้นสู่วิถีจิตทีนี้พอขึ้นสู่วิถีจิตมันไม่ได้ขึ้นตลอดเวลาแล้มันลงอยู่ตลอดนั้นแหละ ใครที่ลงผวังนานๆฟังไม่รู้เรื่องอ่ะนี่ที่นั่งนั่งอยู่เนี่ยรับประกันถ้ถ้าใครมีผวังเดินยาวๆนี่เนี่ยคนคนนั้นน่ยฟังอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าใะรเชื่อนี่ว่ามี่วันนี้นั่งฟังเนไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนีรู้เลยเลยคนคนนั้นเนี่ยปล่อยให้ผวังเน่ยเดินยาวเพราะผวังเนี่ยมันไม่ขึ้นสู่วิถีจิตใช่ไหมมันก็ไม่มานาสิกาในการที่จัรู้มันก็ซึมไปนั้นแหละมันได้ว่าเขานั่งหนึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งหนึ่งชั่วโมงแค่นั่นแหละ มันได้มันได้กเวลาการนั่งมันได้เท่าเท่ากันกับเขาแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรเลยถ้าลงปวังจะไม่รับรู้อารมณ์ภายนอกเลยเอารมณ์ทางตาหูจมูกเล้นกายไม่รู้แนละ้วทางใจก็ไม่ขึ้นสู่วิธีแนละ้วแต่ว่าลงปวังก็ย า, ยาวยืดเป็นนะทีนี้ถ้าถ้ามันลงบ้างไม่ลงบ้างสังเกตยังไงถ้าจิตเป็นประวังอย่างเดียวนี่นะียาบทล้มเลยถ้านั่งอย่านี้คอก็หกัก ถ้าไม่มีก็อีบังอาไว้ก็ซุดลงกับพื้นเลยเพราะพอวังเป็นไปมันจะไม่สามารถทร ง, ทรงียาบทให้อยู่ได้ไม่สามารถจะทรงรูปกาให้อยู่ได้เลยไม่เป็ว่าหลับที่เราเรียกว่าหลับเนี่ยนั้นแต่คนหลับก็คือคนไม่มีียาบทเพราะตอนนั้นจิตไม่ทํำียาบทแล้วตอนนั้นจิตไม่ทํำียาบทและไม่ทำวิญญาตตอนนั้นนะไม่ทําวิญญาตแต่ถามว่าคนหลับหายใจไหมเออทำลมหายใจให้เดินได้อยู่เท่านั้นแหละ แล้วก็ยังรูปให้เกิดขึ้นโดยธรรมดาโดยปกตินั้นคนเราจะอยู่ในยาบทไหนก็ people, จิตก็ทํารูปให้เกิดขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วนะไอ้เกี่ยวกับเวังเนี่ยมันจะเป็นไปโดยโดยโดยโดยแทรกไประยะระยะแต่ถ้าเวังยาวๆนี่นะไม่มีวิธีจิตอื่นมาขั้นนะก็นอนอยู่นะแต่นอนในขณะนั้นก็ไม่ได้เยอะบทนอนนะเนะพราะตอนนั้นจิตไม่ทํำียาบทเขาจะบอกจิตไม่ได้ทํำียาบทนอนแล้วไม่ได้คิดว่าจะนอนจะนอนตอนนั้นไม่ได้คิดอยู่แล้ว ตอนนั้นแต่ว่าเขาเรียกว่าพ้นจากียาบทยืนพ้นจากียาบทเดินพ้นจากียาบทนั่งแล้วก็พ้นจากียาบทนอนทั้งๆ้งที่ดูนอนอยู่นี่แหละแต่ไม่เรียกว่ามีียาบทเพราะตอนนั้นจิตไม่ทํำียาบทเขาใหญ่กว่าตอนเนี้ยจิตไม่ได้ทํำียาบทแล้วเขาใหยากว่าเนี่ยไม่ยากใช่ไหมเพราะอะไรเพราะจิตเป็นผวังบอกว่าท่านนั่งอยู่นี่นะ ถ้านั่งอยู่ก็ลม้ลมล้มตูมลงเลยถ้าถ้าเป็นผวังนี่แต่ทํารูปให้เกิดไหมทํามีรูปประทามเกิดอยู่ไหมเกิดมีลมหายใจไหมมีลมหายใจนั้นไม่ใช่เป็นลมนั้นวาโยธาตนั้นไม่ใช่วายโยธาที่เป็นปัจจัยการยืนเดินนั่งนอนและคู่นอนอยู่ก็ไม่รู้ด้วยผู้นอนอยู่ก็ไม่รู้ว่าเาด้วยว่าตอนเนี้ยตนเองกําลังกําลังนอนไม่รู้เลย และจิตที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้ด้วยจิตนั้นนะเขาก็ไม่รู้ว่าเขากําลังทําจิตทำทำรูปให้เกิดขึ้นคือรูปเกี่ยวกับยาบทสามันเขาก็ไม่รู้ฉะนั้นตอนนั้นไม่มีวิญญาณไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วก็ไม่มีอยาบทไม่ทําำยาบทให้เกิดไม่ทําวิญญาณให้เกิดชื่อว่าย่อมทํารูปเท่านั้นให้เกิดคือไม่ทําำยาบทให้เกิดเพราะความที่จิตนั้นทุรพลรอบด้านเข้าใจคําว่าทุรพลรอบด้านไหมซามกาลังไม่มีกําลังทุกด้านเลย ด้านบนด้านล่างก็ไม่มีกําลังด้านขวางก็ไม่มีกําลังใช่ไหมนั่งทีไอ้นอนอยู่อย่างนั้นเนี่ยในขณะที่นอนอยู่อย่างนั้นะจะยกมือได้ไหมยกมือก็ไม่ได้งอขาก็ไม่ได้ก้มศีรษะก็ไม่ตื้นก็ไม่ได้จิตไม่มีกําลังที่ทําำยาบวเหล่านี้ได้เลยเพราะว่าตอนนั้นจิตนั้นมันไม่มีกำลังแต่จิตเป็นไปอยู่ไห้เป็นเพราะยังไม่ตายอ่ะใช่ไหมคนหลับเลยบอกว่าตายได้ไงลองบอกที เอาในขณะที่คุณหลับเนี่ยคุณลุกขึ้นมานั่งได้ไหมไม่ได้เพราะมันหลับนั้นะจิตเหล่านั้นมันสามกาลังมันไม่มีกําลังในการที่จะทํำียาบวดเป็นต้นใเนเบ็ดใบตรงนี้ถ้าศึกษารู้ตรงนี้ถ้าเราจะได้เข้าใจใช่ไมว่าหัดมองคนนอนบ้างเวลาลูกหลานนอนกันนอนเสังเกตอ๋อเนี่ยตอนนี้จิตเป็นไปอยู่หายใจอยู่แต่จิตนั้นสามกาลังว่าไงจิตทํำวายโยธาไม่ทํา แต่ว่าทำวายโยธาคือลมหายใจอ่ะแค่นั้นแหละแล้วก็ทํารูปกระดาษให้เกิดขึ้นเป็นสามัญเท่านั้นเองโดยปกติตอนนี้มีเอียบท์ไหมบอกไม่มีอตอนนี้นั่งเหมือนกันนั่งแล้วพิงแล้วหลับสมมวเมื่าหลับม่้มีใครหลับบา้างนี้นั่งๆอย่างนี้เราหัดูที่มีใครหลับไหมไม่มีใช่ไหมถ้ามีคนหลับเราจะได้เอาเป็นตัวอย่างไงจะไม่ได้อธิบายวันนี้เนี่ยเนี่ยทํำคนนี้จะไม่ยช่ ก็อยากจอตัวอย่างใช่ไต่ถอย่างนี้วัาถ้าเราออ น, นอนแล้วก็แบบเหอนมาชิแล้วก็หลับไปนะ้ะคะ ว, วมันจะกลายเป็นภาวไปใช่ไหมใช่ใชคืออย่างนี้เดี๋ยวต่อไปเวลาไปถึงสมบัติชัญญะบบาปท่านจะอธิบายละเอียดมากตอนนี้คือพยายามปูพื้นฐานตรง น, นี้ก่อนเนี่ยเวลาเข้าไปสมบัติชัญยับาปนี้พวกเราจะมีความเข้าใจและต่อไปนี่นะถ้าพวกเราศึกษาสมบัติชัญบับาปนี่นะเราจะเป็นคนกำหนดได้รอบด้านเลย และจะเป็นผู้ชํานาญในการกําหนดได้ทุกียาบมดทุกจุดด้วยคือท่านบอกว่าอันนี้กล่าวเลยไปก็ได้บอกว่าถ้ามานาสิการกรรมฐานอยู่แล้วก็ทาําความรู้สึกให้หลับไปแม้กระทั่งหลับอยู่ก็เชื่อว่าจเจริญกรรมฐานเพราะว่าก่อนหลับนั้นท่านคุนั้นมนาสิการกรรมฐานนี้พอตื่นขึ้นมาก็ไม่รีบลุกก็มานาสิการดูรู ป, ปกายที่กําลังนอนอยู่เป็นต้นเหล่านี้โดยความเพิกสัตว์ทุคคนออกพิจรารณาเห็นเป็นเพียงรูปธรรมที่นอนอยู่ ที่คิดจะนอนเป็นต้นเป็นปลายแล้วก็มานาสิการในการที่จะลุกในการไปทํากิจต่างๆลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าทีนี้ที่กําลังพูดบอกว่านั่งอยู่เนี่ยสมมตินั่งแล้วหลับใช่ไหมถามว่าในขณะนั้นท่านผู้นั้นมีียาบทนั่งไหมนั่งหลับอยู่เนี่ยไม่มีเพราะหลับไปแล้วที่กายมันไม่สุดลงกับพื้นเพราะมีเก้าอี้ ก, กั้นอยู่แค่นั้นแหละท่านผู้นั้นเขาเรียกว่าพ้นจากียบทจิตไม่ทํำียาบทแล้วในขณะนั้นน่ เพียงแต่ทําจิตแะตะ่ชโลภสามัญนี้เป็นไปเต่นนั้นเองทําลมหายใจให้เดินไปแค่นั้นแหละทีนี้เออที่มันมีอย่างใช่ไหมเราก็เคยเห็นคนนั่งมีการสรับประบกเป็นระยะระยะไม่ล้มเคยเห็นใช่ไหมไอ้น้ําลายยืดก็ว่ากันไปบางคน ก, ก็ยืดอันนี้เอาเอาโดยในญาติที่น้ําลายไม่ยืดแต่บางคนมีจริงๆไม่ใช่มีจริงเนี่ยนิพูดนิพูดถึงตัวนี้